ต่อไปนี้จะเริ่มเขียนปฏิปทาเครื่องดำเนินคือข้อปฏิบัติของพระกรรมฐานที่ท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินมาเพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบไว้บ้างพอเป็นแนวทางโดยคิดว่าท่านพุทธศาสนกชนพระเนนทั้งหลายที่มีความสนใจใกล้ธรรมและข้อปฏิบัติประจานิสัยอาจมีความสนใจอยากทราบอยู่มากจึงได้พยายามรวบรวมมาลงไว้เท่าที่สามารถผิดถูกประการใด หวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยสำหรับเนื้อหานี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวเขียนให้กับทางนิตยสารสีสัปดาห์เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่นะครับคำว่ากรรมฐานเป็นศัพท์พิเศษและเป็นบทธรรมพิเศษที่วงพระทุดงท่านปฏิบัติกันมาแต่องค์ของกรรมฐานแท้นั้น มีอยู่กับทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและคารวาทได้แก่เกษาโลมาเป็นต้นบางท่านอาจยังไม่เข้าใจในคำว่ากรรมฐานหรือพระทุดงขะกรรมฐานว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่จะเขียนเฉพาะข้อปฏิบัติแห่งทุดงฆะกรรมฐานสายของพระอาจารย์มั่นนอกจากการปฏิบัติสายนี้ผู้เขียนไม่ค่อยสันทัดจัดเจนนักว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรบ้าง เป็นเพียงเห็นเห็นผ่านๆไปบ้างเท่านั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้สนใจใกล้ชิดหนักเฉพาะสายของท่านพระอาจาร์มั่นพาดำเนินมานั้นพอเข้าใจบ้างตามที่เคยได้เห็นได้ยินและปฏิบัติมาแต่ก่อนจะเขียนเรื่องนี้จึงขออธิบายคําว่ากรรมฐานอันเป็นทางดําเนินของท่านพอเป็นแนวทางเล็กน้อยเพื่อเข้ารูป ก, กันกับปฏิปทาที่จะเขียนต่อไป คำว่ากรรมฐานนี้เป็นคำจินปากจินใจของชาวพุทธเรามานานเมื่อถือเอาใจความก็แปลว่าที่ตั้งแห่งการงานแต่งงานในที่นี้เป็นงานสำคัญและหมายถึงงานรื้อภพรือชาติหรือกิเลสตัณหาหรือถอนอวิชาทั้งมวลออกจากใจเพื่อไกลทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตาย อันเป็นสะพานเกี่ยวยงของวัตวณที่สัตว์โลกข้ามพ้นได้โดยยากมากกว่าจะมีความหมายไปทางอื่นแบบงานของโลกที่ทำกันส่วนผลที่พึงได้รับแม้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ทำให้ผู้บำเพ็ญมีความสุขในปัจจุบันและพบชาติต่อไปฉะนั้นพระที่สนใจปฏิบัติธรรมเหล่านี้จึงมักมีนามว่าพระธุดงค์กรรมฐานเสมอ อันเป็นคำชมเชยให้เกียรติท่านผู้มุ่งต่องานนี้ด้วยใจจริงจากพุทธศาสนิกระชนทั้งหลายกรรมฐานที่เป็นธรรมจำเป็นมาแต่พุท ธ, ธาการที่พระอุปชามอบให้แต่เริ่มบรรพชาอุปสมบทมีห้าอาการด้วยกันโดยสังเขปคือเกสาได้แก่ผมโลมาได้แก่ขนนักขาได้แก่เล็บทันตาได้แก่ฟัน ตาโจได้แก่หนังโดยอนุโลมคือตามลำดับและปฏิโลมคือถอยกลับเพื่อกุลบุตรผู้บวชแล้วได้ยึดเป็นเครื่องมือบำเพ็ญพิจารณาถอยหน้าถอยหลังซ้ำซากไปมาจนมีความชำนิชำนาญและแยบคายในอาการหนึ่งหนึ่งหรือทั้งห้าอาการอันเป็นชิ้นส่วนสำคัญของร่างกายชายหญิงทั่ ว, วไป แต่คำว่ากรรมฐานอันเป็นอารมณ์ของจิตนั้นมีมากท่านกล่าวไว้ถึง40อาการซึ่งมีในตำราโดยสมบูรณ์อยู่แล้วท่านผู้ประสงค์อยากทราบกรรมฐานใดก็ค้นหาดูได้โดยสะดวกบรรดากรรมฐานที่ท่านกล่าวไว้มากมายนั้นข้อใหญ่ใจความก็เพื่อท่านผู้สนใจใกล้ต่อ ก, การปฏิบัติซึ่งมีจริตนิสัยต่างๆกัน จะได้เลือกปฏิบัติเอาตามใจชอบที่เห็นว่าถูกกับจริตของตนของตนเช่นเดียวกับโรคมีชนิดต่างๆกันที่ควรแกยาขนาดต่างๆกันฉะนั้นวิธีธรรมได้แก่การนำธรรมะบทนั้นๆมาบริกรรมภาวนาประจำอิริยาบทต่างๆตามแต่ถนัดและเห็นควรว่าเกสาเกสาหรือโลมาโลมา เป็นต้นด้วยความมีสติกำกับอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ปล่อยใจส่งไปที่อื่นทำความรู้สึกตัวอยู่กับบทธรรมที่กำลังบริกรรมภาวนาทำในที่นี้คือธรรมะนะครับไม่เปลี่ยนแปลงบทธรรมบ่อยอันเป็นนิสัยจับจดพยายามทำไปจนทราบชัดว่าเป็นผลขึ้นมาจริงๆหรือจนทราบชัดว่าธรรมะบทนั้ น, น, น ไม่ต้องกับจริตของตนแล้วค่อยเปลี่ยนธรรมบทใหม่ผู้ที่ทราบชัดว่าถูกกับจริตจริงๆแล้วก็ควรยึดธรรมนั้นเป็นหลักใจและปฏิบัติต่อไปไม่ลดละจนเห็นผลเป็นลำดับและก้าวหน้าเข้าสู่ภูมิธรรมที่ควรเปลี่ยนแปลงบทธรรมตามความจำเป็นซึ่งเจ้าตัวต้องทราบโดยลํำพัง ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ บ, บาเพ็ญด้วยธรรมะเหล่านั้นหรือด้วยธรรมะอย่างอื่นๆที่ถูกกับจริตยอมเป็นความสงบสุขภายในใจไปโดยลำดับที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนความสงบจิตเริ่มแต่ชั้นต่ำคือสงบได้ชั่วขณะสงบได้นานพอประมาณและสงบได้ตามต้องการที่จะให้พักและถอนขึ้นมาทั้งเป็นความสงบละเอียดแนบแน่นกว่ากันมาก ขณะที่จิตสงบย่อมปล่อยอารมณ์ที่เคยรบกวนต่างๆเสียได้เหลือแต่ความรู้ความสว่างสวัยประจำใจและความสุขอันเกิดจากความสงบตามขั้นของใจเท่านั้นไม่มีสองกับสิ่งอื่นใดเพราะขณะนั้นจิตปราศจากอารมณ์และเป็นตนของตนอยู่โดยลำพังแม้กิเลสส่วนละเอียดยังมีอยู่ภายในก็ไม่แสดงตัวถ้าเป็นน้าก็กาลังนิ่งและใสสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองหากมีตะกรนก็กาลังนอนนิ่งไม่ทําน้ำให้คุณควรแก่การอาบดื่มใช้สอยทุกประการใจที่ปราศจากอารมณ์มีความสงบตัวอยู่โดยลำพังนานเพียงไรย่อมแสดงความสุขความอัศจรรย์ความสำคัญความมีคุณค่ามากให้เจ้าของได้ชมนานและมากเพียงนั้นทั้งเป็นความสาคัญและความอัศจรรย์ ไม่มีวันเวลาจืดจางแม้เรื่องผ่านไปแล้วทั้งนี้เพราะใจเป็นธรรมชาติลึกลับและอัศจรรย์ภายในตัวอยู่แล้วเมื่อถูกชำระเข้าถึงตัวจริงเพียงขณะเดียวก็แสดงความอัศจรรย์ให้รู้เห็นทันทีและยังทำให้เกิดความอาลัยเสียดายต่อความเป็นของจิตไปนานถ้าปล่อยให้หลุดมือคือเสื่อมไปโดยไม่ได้กลับคืนด้วยวิธีบาเพ็ญให้ทรงตัวอยู่ หรือให้เจริญยิ่งขึ้นไปคงเป็นเพราะเหตุนี้กระมังอีกครั้งพุทธการมีพระสาวกบางองค์ขณะท่านกำลังบําเพ็ญอยู่ใจมีความเจริญขึ้นและเสื่อมลงถึงหกครั้งจนเกิดความเสียใจมากและความอะไรเสียดายแต่สุดท้ายท่านก็เป็นพระสาวกอรหันขึ้นมาองหนึ่งจนได้เพราะความเพียรพยายามเป็นสะพานเชื่อมโยงให้บรรลุถึงอมตะธรรม คือแดนแห่งความเกษเสมโดยอาศัยกรรมฐานธรรมเป็นเครื่องดำเนินคําว่ากรรมฐานธรรมในที่นี้ธรรมคือธรรมะนะครับสำหรับคําว่าธรรมหรือธรรมะนี้ผู้อ่านขออนุญาตอ่านโดยมากว่าธรรมะเพื่อให้ท่านผู้ฟังไม่สับสนกับคําว่าธรรมที่แปลว่าการกระทานะครับ พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับจํานวนไม่ได้และพระสาวกอรหันทั้งหลายของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่เสด็จปรินิพานผ่านไปแล้วจนประมาณการไม่ได้ก็ดีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เสด็จปรินิพานและนิพานไปพอประมาณการได้ก็ดีพระพุทธเจ้าสมณโคดมกับพระสาวกท่านที่เพิ่งเสด็จผ่านไปไม่มกี่พันปีก็ดีล้วนทรงอุบัต และอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอระหันต์จากกรรมฐานทั้งหลายมีกรรมฐานห้าเป็นต้นทั้งสิน้นไม่มีแม้พระองค์หรือองค์เดียวที่ผ่านการรู้ธรรมะมาโดยไม่ได้ผ่านกรรมฐานเลยแม้จะพูดว่ากรรมฐานเป็นสถานที่อุบัติขึ้นแห่งท่านผู้วิเศษทั้งหลายก็ไม่ควรจะผิดเพราะก่อนจะทรงถ่ายพระรูปพระนาม แล้วรูปนามจากความเป็นปุถุชนขึ้นมาเป็นพระอริยะบุคคลเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดต้องมีกรรมฐานธรรม–เป็นเครื่องซักฟอกเป็นเครื่องถ่ายถอนความคิดความเห็นความเป็นต่างๆอันเป็นพื้นเพ ข, ของจิตที่มีเชื้อวัตตะจมอยู่ภายในให้กระจายหายสูญไปโดยสิ้นเชิงกลายเป็นพระไทยและใจดวงใหม่ขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์ล้วน ดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงทรงถือกรรมฐานว่าเป็นธรรมะทั้งสําคัญและจําเป็นและยกย่องในวงพระศาสนาประจําศาสดาแต่ละพระองค์ตลอดมาถึงปัจจุบันแม้ในศาสนาแห่งพระสมณโคดมของพวกเราก็ทรงถือกรรมฐานเป็นแบบฉบับและจารีตประเพณีตาย ต, ายตัวมาเป็นพระองค์แรกว่าได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะกรรมฐานสี่สิบ มีอาณาปาณสติเป็นต้นและทรงสั่งสอนพุทธบริษัท ต, ตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้ทั้งยังจะเป็นสะพานเชื่อมโยงให้สัตว์โลกได้ถึงพระนิพพานตลอดไปจนกว่าจะสิ้นอำนาจวาสนาของมวลสัตว์ที่จะตามเสด็จพระองค์ได้นั่นแหละฉะนั้นคำว่ากรรมฐานจึงเป็นธรรมะพิเศษในวงพระศาสนาตลอดมาและตลอดไป ผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญตามทางกรรมฐานพอทราบเรื่องความลี้ลับที่มีอยู่ในตนทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีบ้างพอควรจึงไม่ควรคิดว่าตนรู้ตนฉลาดโดยทายเดียวแม้จำได้จากกระไตรปิฎกโดยตลอดทั่วถึงเพราะนั่นเป็นเพียงบัญชีดีชั่วของสิ่งหรือธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเท่านั้นยังไม่ได้รับการเลือกเฟ้นจากการปฏิบัติ มีกรรมฐานเป็นเครื่องส่องทางให้ถึงความจริงตามพระประสงค์ที่ทรงประกาศรมสอโลกพระกรรมฐานส0สบห้องนี่แหละคือตู้พระไตรปิฎกคือเครื่องมือทำลายภพชาติเครื่องมือทำลายโคงจักรที่พาให้สัตว์โลกบุญเวียนเกิดตายจนไม่ทราบภพบเก่าภพใหม่และทุกเก่าทุกใหม่ที่สลับซับซ้อนมากับภพบชาตินั้นๆให้ขาสะบั้นลงโดยสิ้นเชิง การปฏิบัติใดก็ตามที่ปราศจากธรรมะเหล่านี้ส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าสนับสนุนการปฏิบัตินั้นจะไม่เป็นไปเพื่อการทำลายสังหารกิเลสกองทุกมากน้อยที่มีอยู่ภายในให้เบาบางและสิ้นสูญไปได้เลยการปฏิบัติที่มีธรรมะเหล่านี้เข้าสนับสนุนอยู่มากน้อยเท่านั้นจะทำลายกองทุกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีทางสงสัยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขและความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะทั้งหลายจึงต้องยึดถือธรรมะเหล่านี้เป็นเส้นชีวิตจิตใจของการดำเนินปฏิปทาไปตลอดสายนับแต่ธรรมะขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานกลรจะปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญความดีงามด้วยวิธีการใดๆก็ตามเมื่อถึงขั้นจะเข้าได้เข้าเข็มจริงๆ คือการก้าวขึ้นสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเป็นขั้นๆจำต้องหวนกลับมายึดธรรมะเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องดำเนินจึงจะผ่านพ้นไปได้โดยสวัสดีปลอดภัยเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นที่ประมวลมาแห่งสัจธรรมทั้งหลายที่มีมรรคผลนิพพานเป็นจุดสุดยอดธรรมะเหล่านี้รวมอยู่ในวงพระพุทธศาสนา มีศาสดาองค์เอกแต่ละพระองค์ทรงประกาศสอนไว้เป็นแบบเดียวกันและสืบทอดกันมาเป็นลำดับท่านที่ยังสงสัยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงประกาศสอนธรรมะมาเป็นยุคยคุจนถึงศาสดาองค์ปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าของเราจึงควรปฏิบัติพิจารณาตามธรรมะกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้ด้วยความพิสูจน์จริงทางปัญญาจนเกิดผลตามพระประสงค์ ก็จะทราบจากความรู้ความเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติของตนเองอย่างประจักษ์ใจว่าศา ส, สดากับธรรมะมิได้แตกต่างกันแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังแก่นธรรมที่ทรงแสดงไว้ย่อๆว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตดังนี้ธรรมะบทนี้เป็นธรรมะประกาศองค์พระตถาคตทั้งหลาย ให้เราทราบอย่างชัดเจนว่าพระตถาคตมีอยู่กับธรรมะตลอดเวลาวิได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่แม้แต่ละพระองค์จะเสด็จปรินิพานไปนานตามสมมุตินิยมกันก็จริงแต่ความจริงขององค์พระตถาคตแล้วคือธรรมะนี้เท่านั้นบรรดาท่านที่เห็นธรรมะภายในใจอย่างแจ้งประจักษ์แล้ว ท่านไม่ได้สงสัยในองค์พระตถ า, าคตเลยว่าประทับอยู่ในที่เช่นไรซึ่งโลกเข้าใจว่าท่านเสด็จเข้าสูนิพพานหายเงียบไปแล้วไม่มีสัสดาผู้คอยเมตตาสั่งสอนต่อไปความจริงธรรมะที่ทรงประสิทธิ์ประสาทธไว้แล้วแก่หมู่ชนก็คือองค์สัสดาเราดีๆนั่นแหลถ้าสนใจอยากมีสัสดาภายในใจ ก็มีได้ทุกเวลาเช่นเดียวกับที่ยังทรงพระชนอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้าใจที่จะเคารพนับถือและเชื่อฟังธรรมะที่เป็นองค์แทนท่านเป็นสำคัญกว่าอื่นแม้ท่านยังทรงพระชนอยู่ถ้าขาดความสนใจเสียเพียงอย่างเดียวท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้คงเป็นประเภทอนาถาอยู่ตามเคยไม่มีอะไรดีขึ้นเพื่อความไม่เดือดร้อนในภายหลัง และเพื่อความอบอุ่นใจทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงควรปฏิบัติบำเพ็ญตนด้วยธรรมะที่ประทานให้เป็นมรดกแทนพระองค์ผลจะเป็นเช่นเดียวกับที่ยังทรงพระชนอยู่ทุกประการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือจะมีธรรมะคือศาสดาประจำใจอยู่ตลอดเวลาได้พร่ำกรรมฐานมายืดยาวจนท่านผู้อ่านเอือมไปตามๆกัน จึงขออาภัยอีกครั้งในความไม่พอดีของตนที่พร่ำไปบ้างก็คิดว่าท่านที่ยังไม่เข้าใจในคำว่ากรรมฐานเท่าที่ควรก็อาจมีและอาจจะเข้าใจและทราบพิธีปฏิบัติไว้บ้างเมื่อถึงวาระที่คิดอยากบำเพ็ญจะได้สะดวก